การฟังธรรมนั่นนะก็คือการสมาทานประพฤติกุศลธรรมอย่างกิจกรรมที่เรามาทำกันอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือกิจกรรมว่าด้วยการสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเป็นการสมาทานเพื่อจะยึดถือเอากุศลธรรมเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้น วัตถุประสงค์หลักจริงๆเนี่ยก็คือเพื่อความเจริญงอกงามในกุศลธรรมกุศลธรรมที่เราประพฤติดีสมาทานเอาไว้ชอบกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์กุศลธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยนะถามว่าออกจากทุกข์ไหนก็ออกจากทุกข์คืออบายทุกขติวินิบาตนาโร ก, ก่อนเป็นเบื้องต้น น, นะ กุศลธรรมที่ประพฤติดีแล้วก็นําออกจากทุกขที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะทุกในหมู่มนุษย์ทั้งหลายแม้กระทั่งออกจากทุกขของหมู่เทวดาถามว่าเทวดามีทุกไหมมีอย่างเท้าสกัดท่านก็ทุกนะทุกเพราะท่านบุญน้อยถ้าเทียบคนก็มีบุญมากกว่าก็ทุกเพราะบาปทุกเพราะอกุศลทุกเพราะกิเลสนะท่านก็ปรารถนาที่จะพ้นไปจากทุกขนั้นการประพฤติกุศลธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อออกจากกองทุกขโดยเฉพาะทุกในวัตตะนะนะอันนั้นคือระดับสูงสุดทีนี้ในเบื้องต้นของการศึกษาในการปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นการเจริญเพื่อเป็นรากฐานที่จะนําออกจากทุก์จริงอยู่วันนี้ขณะนี้ยังออกไม่ได้ไม่ได้โดยถาวร น, นะแต่ก็เชื่อว่าเป็นการออกจากอากุศลก่อนในเบื้องต้นกุศลธรรมเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแห่งความสุข จึงผู้ที่ฟังธรรมถ้าฟังด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีความสุขขณะที่ฟังอยู่แล้วนี่นะแล้วก็มีความสุขที่จะปฏิบัติตามกุศลธรรมเพราะว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยนะเราฟังเรื่องของผู้ที่เขาเข้าถึงความสุขอย่างเช่นเนี่ยในสารีปุตตสูตรที่เราเรียนต่อไปเนี่ยนะจะเห็นว่าผู้ที่เขามีความสุขเนี่ยเข้เขาสุขได้อย่างไรเขาอาศัยคุณธรรมอะไรจึง จึงประสบความสุขเหล่านี้เท่านการเรียนธรรมะก็คือเรียนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขไม่ใช่ว่าโอ้ยเรียนเพื่อความทุกข์เรียนจะได้เดือดร้อนมากๆจะได้ลําบากเยอะๆเรียนเพื่อให้มันเหนื่อยเรียนให้มันเครียดเรียนให้มันเศร้าใจเรียนให้มันลําบากใจใช่ไหมบอกไม่ใช่เราทั้งหลายเชื่อว่าผู้รักสุขเป็นผู้รังเกียจต่อความทุกข์นั้นเราก็มาศึกษาพระธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ เพราะเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราเราเห็นว่าความสุขนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของเราในโลกนี้มีผู้เสนอแนวทางเพื่อให้เข้าถึงความสุขหลายแนวทางด้วยกันแต่ว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกที่เราทั้งหลายก็มีความเห็นเสมอกันว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นแนวทางที่จะให้ถึงความสุข นะนะพันเราก็มาศึกษาร่วมกันนะเพื่อเหตุแห่งความสุขนั่นเองแต่หลายคนเนี่ยระหว่างที่เรียนอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่ใช่ไหมเรียกว่ากลิ่นอายแห่งความทุกข์ที่ติดตามมาไงมันไม่เลิกราสักทีเรียกว่าความร้อนระอุในอดีตมันมันส่งมาใช่ก็เลยกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟมาศึกษาธรรมะก็ยังไม่ค่อยจะเย็นสักเท่าไหร่แต่ก็ท่างเถอะ นะถ้าศึกษาไปเรื่อยๆความสงบร่มเย็นก็จะค่อยมีโดยลำดับเนี่ยนะท่ว่าเดินตามมักคาอย่างอื่นที่ผู้อื่นแนะนํเนี่ยนะเราก็เดินมานานแล้วถ้าเราลองศึกษ า, าให้เข้าใจคำสอนแล้วเดินตามมาาักคาหรือแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนํเนี่ยนะลองศึกษาเทียบเคียงดูความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็มาทบทวนโดยเหตุโดยโด ย, โดยประการทั้งปวงเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมที่ถูกเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการดีแล้วที่เธอจะพิจารณาวิบัติของตนตามการสมควรพิจารณาสมบัติของตนตามการสมควรหมายคาอว่าพิจารณาความเจริญความเสื่อมของเราตามการสมัยว่าเราเจริญอะไรบ้างเราเสื่อมจากอะไรบ้างนี่มาดูพระสารีบุตรเนี่ยนะผู้เป็นอัครสาวกข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามธรรมแล้วประสบความสุข ในอุทานหน้า446ข้อหนึ่งหนึ่งสารีปุตตโสตข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยคือมักน้อยนะสันโดษวิเวกคือชอบสงัด อสังสขขาคะไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรมั่นประกอบในอธิจิตอันนี้คือคุณธรรมว่าพระสารีบุตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติคือกถาวัตถุสิบนะแต่ยกตัวอย่างว่ามรรคน้อยสันโดษวิเวกอสังสขขาคะปรารภความเพียรและก็อธิจิตขาดอะไรไปบ้างขาดศีลปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะซึ่งข้างล่างก็กครบหมดนะนะ มันก็ผู้ที่ดำรงอยู่ในกถาวัตถุสิบเพราะว่ากถาวัตถุสิบเนี่ยนะถ้ากล่าวตามธรรมธายาสูตรผู้ที่ปฏิบัติตามกถาวัตถุสิบคือคุณธรรมมีความมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปราลบความเพียรเป็นต้นเนี่ยย่อมยังธรรมขันห้าให้บริเออยังศิกขาสามให้บริบูรณญยังอธิศีและสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาให้บริบูญสิกขาสามที่บริบูรณ์ย่อมนำมาซึ่ง ธรรมขันห้าหรืออเศขธรรมห้าอธทิศีนอัศรขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันธรรมขันทั้งห้าย่อมอยังลงสู่อมตะเรียกว่ายังลงสู่อมตะคือความไม่ตายหรือพระนิพพานนั่นเองทันที่สุดของการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็เพื่อทำให้แจ้งธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์สิ่งที่เราควรตั้ง หรือควรคิดเวลาศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะตั้งตั้งใจไปเลยว่าการปฏิบัติเหล่านี้เป็นการปฏิบัติเพื่อความสุขแต่คนเนี่ยพออ่านตับอุนมากน้อยสันโดษทํายาก น, น, นะนะทยาก น, นะนะการว่าสร้างกําแพงมาล้อมตัวเองไว้ก่อนเลยายากยากใครจะไปทําได้ไงนะแต่แต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ให้ดีนี่ว่าการปฏิบัติเหล่านี้นี่แหละคือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุข เบื้องแรกดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายในความรู้สึกของคนมีกิเลสนี่บอกไม่สบายเลยแต่ถ้าทำตามที่ท่านเหล่านี้ปฏิบัติท่านจะเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงฉั้นความมักน้อยมักน้อยมีกี่อย่างนะมักน้อยเรียกว่ามักน้อยในปัจจัยสเป็นต้นเนีนะสันโดษก็คือสันโดษสามญลาบญถาลาภ า, า, า, าสันโดษญาถาสารุ ป, ปะสันโดษญถา พระสัตยถาพระสันโดษสันโดษสามในปัจจัยสวิเวกก็คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยการเห็นการฟังเป็นต้นแล้วก็ปรารบความเพียรทางกายและจิตหมั่นประกอบอธิจิตเนี่ยนะอธิจิตก็คือทาจิตให้ยิ่งแต่พระสารีบุตรหมายถึงอรหัตผลจิตท่านนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรง อยู่ในที่ไม่ไกลเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นท่านพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปลารบความเพียรหมันประกอบในอธิจิต น, นะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทราบเนื้อความเหล่านั้น น, นะเรียกว่าสรุปเรื่องทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่พระสารีบุตรนั่ง แล้วก็เปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้ที่มีจิตยิ่งไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนีคงที่สงบมีสติทุกเมื่ อ, อ น, นะคนุณคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปเนี่ยเลิกโศก น, นะก็หมายความว่า คำว่าโศกเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมเป็นตัวอย่างของโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตสัมประโยคทุกวิประโยคทุกอิจฉาทุกผู้ที่มีคุณธรรมคือมันมีอธิจิตไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนีคงที่สงบคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยนะเลิกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตะเลิกสัมประโยคกับทุกเลิกประสบ ก็ ว, ว่าประสบกับอะไรไม่เป็นเหตุให้ทุกข์แม้แต่อย่างเดียวพลาดพลาดจากสิ่งใดก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ท่านประสบทุกข์ท่านไม่มีความปรารถนาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยเพราะท่านคือผู้ที่ปฏิบัติต้นเหตุเพื่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดนั้นค น, คนที่มีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยดับวัฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงยกว่าทุกข์ทั้งหลายในวัฏจัก็คือความโศกใช่ไหม อย่างเราไม่สบายใจจากเรื่องใดเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าวัตถุนั้นสะท้อนให้นํามาซึ่งความโศกที่เราโศกในโลกนี้เราลองคิดดูนะว่าทําไมสิ่งนั้นจึงไม่เป็นที่สบายใจสําหรับเราถ้าตั้งคําถามนะทำไมสิ่งนั้นจึงทําให้เราไม่สบายใจเอามาถามเคยเอามาถามนะว่าเช่นเราไม่สบายใจเรื่องบ้านเรื่องที่ทํางานเรื่องเพื่อนเรื่องฟูงเรื่องอครอบครัวเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองหรืออะไรก็ช่างเถอะ ที่เป็นเหตุให้เราไม่สบายใจทําไมเราจึงไม่สบายใจเนี่ยนะพูดแบบภาษาไทยๆคยอว่าเรายากจนเกินไปที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นเราก็เลยลำบากใจแทนคือว่ามันความคับแค้นความเดือดร้อนความอึอดอัดเนี่ยมันมีสําหรับคนยากเนี่ยนะคนยากทั้งหลายเนี่ยนะคนที่คนที่เหมือนเด็กๆเกนี่ยนะมันเขาเช่นเขายากเพราะเขาไม่มีทรัพย์ที่จะเอาอะไรอย่างที่เขาต้องการ หรือเรียกว่าเขาไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังที่จะทําอย่างที่เขาต้องการเขาก็เลยเดือดร้อนหมู่สัตว์ที่เดือดร้อนก็เหมือนกันที่เขาเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีอธิจิตเขาอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้เป็นมุนีคือไม่ได้เป็นผู้มีความรู้ไม่ศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เป็นคนที่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีใจไม่สงบเป็นผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเขาก็เลยมีแต่ความเศร้ามีแต่ความโศกมีแต่ความ เดือดร้อนซึ่งต่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ดำเนินปฏิปทาดำเนินมรรคาเพื่อความสงบเพื่อความสุขเนี่ยนะท่านปฏิบัติธรรมจนถึงความสุขเมื่อท่านประสบความสุขที่แท้จริงแล้วท่านก็เลยเลิกไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ของท่านอีกต่อไปนั้นในคาถานี้ เป็นคําพระที่พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าภาษารีบุตรเป็นผู้ที่ประสบความสุขอย่างแท้จริงแต่ว่าผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมไม่ใช่นั่งสุขแบบไหนเอ่ยเนี่ยนะไม่ใช่นั่งสุขแบบยิ้มเจียนเจือนว่าฉันมีความสุขใช่ไหมนั่งยิ้มด้วยความเศร้าเราบอกว่าฉันนี่เข้าถึงความสุขไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าคนที่สุขโดยที่มีคุณธรรมอย่างสมบูรณ์อธิบายตามลําดับนะ อย่างมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรอันนี้เคย อ, อธิบายแล้วนะอธิบายในสูตรไหนที่ผ่านมาเมคยาสูตรเนี่ยนะในอัตกาถาเมคยสูตรกล่าวไปแล้วนี่ก็อธิบายหมั่นประกอบในอธิจิตเรียกว่าอธิเจตโสผู้มีอธิจิตแปลว่าประกอบด้วยอรหัตผลจิตถือว่าอารหัตผลจิตเนี่ยนะยิ่งกว่าจิตทั้งปวงในบรรดาจิตทุกชนิด อรหัตตะโฟลจิตสูงที่สุดเขาแบ่งจิตอยังไงใช่ไหมแบ่งจิตเป็นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตเขาได้เอาแบ่งเป็นจิตระดับกามาวจรระดับรูปาวจรระดับอรูปาวจรและก็ระดับโลกุตรจิตกามาวจรก็แบ่งเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะแบ่งเป็นอกุศล12องหิตกจิต18นะนะกามาวจรสโภพนะอีก24ดวงเขาเรียกว่ากามาวจรจิต54ดวง กาบาวจรจิตนั้นถ้าเทียบกับรู ป, trigger, า, รปาวจรจิตก็ล่างมากอยู่ระดับล่างๆมีจิตที่เรียกว่ารูปาวจรจิตเหนือกว่ารูปาวจรจิตก็ระดับชั้นหนึ่งสองสามสห้าเนี่ยนะชั้นหนึ่งถึงหก็เหนือกว่าชั้นที่ห้าเหนือกว่าชั้นที่หนึ่งเป็นต้นทีนี้อรูปาวจรจิตก็มีอะรูปาวจรจิตที่เหนือกว่าจิตที่ดีกว่านั้นก็คืออะรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตก็คืออากาสานัญใจยตนะไปเรื่อยจนถึง เนวสัญญาณาสัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายาตนะก็ถือว่าต่ํากว่าโสดาปฏิมขจิตโสดาปฏิมาก็ไม่ถึงโสดาปฏิผลก็ไล่โสดาปฏิผลก็ไม่ถึงสกทาคามีสกทาคามีก็ไม่ถึงอนนาคามีอนนาคามีก็ไม่ถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคก็ไม่ถึงอรหัตตผลอรหัตตผลสุดยอดและสูงสุดสูงสุดของบุคคลนั้นนะถึงว่าเรียกว่าถึงจุดสุดยอดของจิตแล้วเป็นจิต ที่ที่เหนือที่สุดเป็นจิตที่สมควรอ่างั้นครอรหันตัวนั้นเนี่ยนะแปลว่าสมควรเป็นจิตที่เข้าถึงภาวะแห่งความสมควรสมควรอะไรสมควรแก่การกราบสมควรแก่การไหวสมควรแก่การลุกรับสําหรับผู้ที่มีจิตชนิดนี้คือพระอารหันต์ทั้งหลายเพราะอารหัตตผลเนี่ยนะผู้อรหั ต, ตผลเนี่ยเป็น เป็นจิตที่สงบประงับเป็นจิตที่เป็นผลของการเจริญกุศลธรรมอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะเป็นเป็นจิตของผู้ที่เข้าถึงความดับทุกข์ที่แท้จริงผู้ที่มีอธิจิตระดับอรหัตตผลจิตดังนี้เนี่ยอัปปะมั ช, ชโตแปลว่าผู้ไม่ประมาทท่านอธิบายว่าผู้ประกอบด้วยการกระทาเป็นไปติดต่อในธรรมะอันหาโทษไม่ได้ด้วยความไม่ประมาท ธรรมะที่ไม่มีโทษคืออะไรก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ ส, นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ประมาทอ่เรียขอไปเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษกระทาในสิ่งที่ไม่มีโทษนี่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ประมาทถ้าประมาทละ่ะก็เอาสิ่งที่มีโทษเนี่ยมาสับวางอ่านะอยู่กับสิ่งที่มีโทษความโลภความโกรธเป็นต้นเนนะี่ยเรียกว่าสิ่งที่มีโทษ ให้จิตหมกมุ่นเป็นไปกับสิ่งที่มีโทษอันนี้ก็เรียกว่าประมาทหรือปล่อยจิตไปในสิ่งที่มีโทษก็เชื่อว่าประมาทขณะเดียวกันถ้าเจริญกุศลก็ให้อากุศลมันสับว่างบ่อยๆนะอากุศลมาแทรกประจําเป็นปกติอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทสําหรับผู้ที่ไม่ประมาทก็คือให้จิตเป็นไปกับสิ่งที่ไม่มีโทษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ประมาท มุนีโนพระขีณาศพชื่อว่ามุนีเพราะรู้โลกทั้งสองอย่างนี้ว่าเพราะผู้รู้โลกทั้งสองท่านเรียกว่ามุนีเพราะประกอบด้วยยานะกล่าวคือปัญญาอันสัมปยุตด้วยอรหัตผลนั้นก็คือรู้โลกทั้งสองโลกทั้งสองโลกไหนโลกไหนรู้โลกไหนเอ่ยก็คือรู้ทั้งโลกิยะและโลกุตตะระท่านรู้โลกทั้งสอง รู้จักโลกและก็รู้จักความพ้นจากโลกรู้จักโลกและก็รู้จักความดับของโลกนะถ้าบอกว่าโลกกับโลกะกับโลกานิโรธนะรู้จักโลกคือสังขารธรรมทุกชนิดรู้จักความดับของโลกคืออสังขตธรรมหรือวิสังขารธรรมท่านรู้จักโลกรู้จักความดับของโลกเท่ากับท่านรู้จักโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับโลกพันท่านเป็นผู้เป็นมุนีคือท่านศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดโลกเพื่อความดับโลกโลกไหนโลกกายยาวานาคืบกว้างสอกมีสัญญาและมีใจครองโลกตัวนี้มันทุกข์มากเลยนะเขาบอกว่าตอนที่บุญมันให้ผลบอกสบายมากดีจริงๆริเลยนะแล้วเริ่มหมดบุญลแล้วจะเริ่มรู้แล้วว่ามันเดือดร้อนจริงๆมันทุกข์จริงจริง แต่เกียกตะกายอยู่นั่นแหละนะสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยตะเกียกตะกายตอนนี้ร่างกายนะตอนกินอิ่มนอนหลับไม่ป่วยไม่ไข้โอ้ดีจริงๆตอนที่มันพยศขึ้นมานะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับป่วยก็ป่วยศีรษะก็ปวดตัวก็เมื่อยไปหมดใจก็ฟุง้งซ่านอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยเนี่ยกองทุกข์ล้นวนเลยนะเชื่อไหมไอความสุขที่เรามีอยู่ถ้ามันหมดสภาพมันคืออะไร ก็คือความทุกข์แต่ถ้าความทุกข์มันเกิดแล้วไม่รู้จะหันกลับมาหาสุขได้อีกเมื่อไร่แต่ถ้าความสุขที่มันเกิดไม่แน่นะมันสามารถที่จะแปลสภาพไปหาทุกข์ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าความทุกข์ที่มีอยู่นะหมดสภาพจากทุกข์แล้วหันไปเกิดความสุขไม่ง่ายเลยไม่ง่ายยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายถ้ามันป่วยไข้แล้วซ่อมยากนะดูแลให้มันเป็นเช่นเดิมนี่คง คงยากท่านก็พยายามเพียรศึกษาเพื่อกําจัดดับความทุกข์การศึกษาการปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราต้องรอให้เราทุกข์ก่อนไหมค่อยค่อยทําค่อยหน้าหนักใจที่สุดก็คือป่วยแล้วต้องเรียนธรรมะยามป่วยนี่ลำบากมากก็ต้องเรียนให้เสร็จก่อนที่จะป่วยใช่ไหมไม่ใช่ไปนั่งโอ้ยสายยางตั้งสามสี่ท่อแล้วมาเรียนธรรมะจะได้อะไรตัวของตัวก็ยังช่วยไม่รอดเลยนะ ลำบากมากมันลุงเรื่องในศึกษาตอนที่ยังไม่นอนเนี่ยถือว่าแจ่วมากแล้วมีบุญมากาต่อไปว่าบทว่ามุนิปเทสุสิกขะโตผู้ศึกษาโพธิปัจขิยธรรม3ามประการหรือศึกษาสิกขาสามอันเป็นทางแห่งโมนะกล่าวคืออรหัตตมรรคข้อปฏิบัติเพื่อที่ทำให้อรหัตตมรรคเกิดเนี่ยนะถ้าแบ่งแบบย่อก็ได้แบ่งแบบ พิสดารก็ได้โยมชอบย่อหรือชอบพิสดารดีชอบพิสดาร น, นะย่อฟังมาเยอะเลยนะแบบยอ่อแบบย่อมากก็คืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติเพื่อให้อรหัตตมรรคเกิดทําตามนี้แหละเดี๋ยวก็เกิดอรหัตตมรรคเหมัอนกงงันอ า, นะอาสิกขาสามนะสิกขาสามก็คือปิฎกสามเนี่ยศึกษาตามปิฎกสามนี่แหละนะแล้วท่านจะบรรลุอรหัตตมรรคศึกษามไม่ใช่อ่านนะ ถ้าอ่านนี้เขาไม่เรียกว่าศึกษาเขาเรียกว่าสุตตะถ้าอ่านนะสายตาผ่านผ่านผ่า น, านตาไปเรื่อยเขาเรียกว่าสุตตะไม่เรียกว่าศึกษาถ้าศึกษาแปลว่า ค, คุณธรรมสิ่งนี้มีอยู่ในตนเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานเมื่อสมาทานน้อมใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติมั่นตั้งจิตมั่นมีปัญญารู้ชัด กำหนดรู้สุดสิ่งที่ควรกําหนดรู้ละเจริญทําให้แจ้งไออาการดังกล่าวนี้เรียกว่าศึกษาฝันท่นะนาเจริญได้ตามนั้นเรียกว่าศึกษาศึกษาตั้งตั้งการศึกษาอันนี้เพื่ออะไรตั้งกุศุรธรรมที่เป็นไปกับอธิศีนอธิจิต อ, อธิปัญญาเพื่ออรหัตตมัชนะตั้งไว้เลยว่าอารหัตตมัช ก, การศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิ ปัญญานี่ยเขาเรียกว่าอนุธรรมะบาลีเรียกอนุธรรมะธรรมานุธรรมะเนี่ยก็แบบธรรมะบอกอนุธรรมะการปฏิบัติอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเบื้องต้นเขาเรียกว่าอนุธรรมถือว่าเป็นธรรมที่เล็กน้อยอนุแปลว่าน้องนะเช่นอนุชาเนี่ยแปลว่าคนที่เกิดภายหลังก็คือพวกน้องทั้งหลายไม่ใช่พี่ทีนี้อนุธรรมะก็เพื่อให้ถึงธรรมะธรรมะคือ โลกุตระธรรมโดยเฉพาะอารหัตตมรรคตั้งการศึกษาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพื่ออรหัตตมรรคหลายคนบอกว่าโอ้โหจะทำได้ยังไงแม่ทุกจะเดินก้าวเดียวให้มันข้ามโลกไปได้เลยมันเป็นไม่ได้หรอกมันตั้งอัธยาสายตั้งอุปนิสัยเอาไว้ก่อนคนอื่นคนที่เขาตั้งอรหัตตมรรคเขาตั้งกันนานไหมยัว่าเขาตั้งกันนานไหม พระพุทธเจ้าตั้งเพื่อให้อรหัตมตมรเกิดเนี่ยนะอย่างน้อยสี่อสงไขยแสนกับถ้านับวันพุทธพยากรนะเขาไม่ได้พึ่งรีบมาอะไรนะตั้งพวดเดียวแล้วให้มันถึงในอัธกถาสูตรหนึ่งท่านบอกว่าไม่มีหลอกการบรรลุเป็นพระอรหันต์แบบกบกระโดด อ, ะอ่ะนะในพระสูตรหนึ่งและอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่ามันไม่มีบินข้ามไปบรรลุเหมือนนางนกบินไปหอกเขาว่างัน้น นั่นว่างั้นนั้นในอันตกถาสักกะปัญหาสูตรว่างั้นว่าไม่ได้เหมือนนางนกที่มันบินไปหรอกมันก็มีการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปตามลําดับโดยลําดับทีนี้ลําดับเบื้องต้นที่จะทําให้มรรคผลเกิดขึ้นก็อยู่ที่การตั้งจิตเอาไว้ก่อนเนี่ยนะตั้งจิตเอาไว้ก่อนตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยเอาไว้ก่อนพราะการตั้งอุปนิสัยนี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญนะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่า ดูก่อพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทําไว้แล้วเราเห็นภิกษุผู้มีปกติอยู่ป่ารูปหนึ่งเราได้ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าอํานวยผลให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเออเนี่ยท่านยังตั้งได้เลยนะถวายผ้าเก่าอยู่ผืนเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งอนันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างอ้างว่า การเจริญกุศลเนี่ยมันเป็นการเจริญและตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าแม้จะเอาขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าท่านมีอินทรีย์แก่กล้าเท่าพระพาหิยะไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมถ้าท่านเป็นลูกหลานพระพาหิยะนะสบายมากแต่นี่ลูกหลานใครเอ่ยลูกหลานประเทศทั้งน้ำตาทั้งหลายแหล่นี่ไ ผู้ที่โอ้ยหลายๆรูปในเทระเทรีกฐานบอก2ี่ปีแล้วไม่เคยใจสงบแม้แต่นิดเดียวอากุศลกลุ่มร um ุมเหลือเกินแต่รู However, ้ว่าศึกษาพระธรรมนี่ดีแต่ว่าทำไมอากุศลมันเล่นงานขนาดนี้กระเศร้าใจลำบากใจนะแต่ก็ในที่สุดก็ตรัสรู้ได้พวกนี้เรียกว่าพวกปฏิบัติธรรมทั้งทั้งน้ำตาเลยนะมาเรียนธรรมะทั้งน้าตา ถูกเขาบ่นว่าถูกเขาว่าบ้างอะไรบ้างก็นั่งเรียนนั่งซึมแต่ก็สู้เพราะดีมีประโยชน์เนี่ยนะถึงใครจะต่อใครจะว่าใครจะอะไรก็ทนไปทําด้วยความอดทนบ้างทนทำบ้างทําทนบ้างก็สลับคล้าเล่ากันไปกว่าจะถึงพระนิพพานเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละทางในวัตฏะมันไม่ได้ราบเรียบเสมอรอกวัตฏะเนี่ยนะทางมันไม่เรียบไม่เหมือนทางคือองแปด ถ้าเจริญจนครบองค์แปดเนี่ยจึงเป็นทางเรียบที่แท้จริงแต่ถ้ายังเจริญกุศลโทั่วๆไปเนี่ยไม่เรียบหรอกปัญหาเยอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ยังบอกเลยว่าโพธิญาณ น, นี้พระองค์ก็ได้โดยยากโดยความลําบากลําบากจริงๆนะเพราะว่าง่ายไหมเจริญกุศลเนี่ยนะไม่ง่ายบางทีคนอื่นเขาก็ส่งเสริมให้เราเจริญกุศลหมดเลยแต่อักกุศลภายในบอกไม่ยอมใช่ไหมบางวันเนี่ยคนอื่นภายนอกเขาไม่อยากให้เราเจริญกุศล เขาก็ส ก, สกัดสกัดสกัดไว้เราก็ได้เหตุผลอันสมควรนะเออไม่ต้องเจริญก็ได้แล้วกุศลเนี่ยนะเพราะภายนอกเขาหักห้ามแล้วแต่ทีนี้ภายเาะภยนอกเขาอนุญาตให้เจริญกุศลได้หมดศัตรูภายในเล่นงานราแบบยาเพึ่งเลยเนี่ยนะมีเรื่องไม่สบายใจอีกตั้งหลายอย่างให้คิดเรื่องไม่สบายใจต่อไปก่อนนะ ก็เรียนธรรมะไปศึกษาเรื่องลำบากในใจไปคิดเรื่องลำบากใจควบคู่กันไปไอันโน้นก็ยังทําไม่เสร็จบางคนเนี่ยมานั่งทํางานระหว่างฟังธรรมจนเสร็จงานพร้อมกับจบเวลาฟังธรรมพอดีด้วยกันเลยเนี่ยมันก็เป็นอยังไงมันศัตรูภายในมาเล่นงานซะจนยับเยินหมดนะนี่มาดูอีกในหนึ่งทวาการศึกษากุศลธรรมโดยพิสดารเพื่อให้อรหัตมรรคเกิดขึ้นนั้นก็คือโพธิปัจจะธรรม37ประการ โพธิปัจขยธรรม37ประการนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสติประธานสี่สมมติประธานสอิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละหาโพชองเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แกุศลธรรมทั้ง37ประการเนี่ยนะถ้ามองไปก็เหมือนกับอะไรนะสร้างบ้านสร้างปราสาทหรือสร้างตึกสร้างฐานเจดีย์ด้วยเสาสาสิบต้น เสา37ต้นเนี่ยนะก็คือหมายความว่าองค์พระเจดีเหมือนอรหัตตมรกเสาของพระเจดี37ต้นเนี่ยคำ้ำค้ำองค์พระเจดีเอาไว้พันเสาแต่ละต้นที่เทลงไปเทลงไปก็เพื่อรองรับเจดีชั้นใดโพอที่ปักจยธรรม3 7ประการที่เราเจริญขึ้นก็ให้เป็นฐานรองรับอรหัตตมรักเนี่ยนะให้อรหัตตมรักปฏิสฐานท่านดูซิกายานุปัสนาสติประธานสุดไหม ตอกเข็มดีหรือเปล่าลงเข็มพอไหมนะมาไล่ดูที่37ิต้นหรือเอาปูนหมดสภาพมาเทหรือเปล่าเนี่ยนะหรือว่าใช้อะไรมาเทใช้เหล็กไหมอะไรไหมองค์ประกอบช่างนี้ขี้เมาอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเวลาเทเนี่ยนะสมควรที่จะรองรับอรหัตมรักได้ไหมถ้าไม่ได้ล่ะไม่ได้ก็แก้ไขปรับปรุงไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานเนี่ยนะก็มีคาถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินี่เราจะทายังไงในวัฏฏะเนี่ยนะ ทำยังไงก็ทําแบบคนที่อยู่ในวัตตะนั่นแหละแล้วทําไม่มีจบมีสิ้นแต่ถ้าเจริญปฏิบัติธรรมตามโพธิปัจจะธรรมถ้าทําครบทั้งสาสิบเจ็ดเนี่ยจบอันะจบเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะพระองค์นี้จบแล้วใช่พรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพระหาหันทั้งหลายท่านก็บอกว่าท่านจบแล้วท่านจบกันแล้วแต่พวกที่อยู่ในวัตฏานิยมว่าจบหรือว่าจบ จบเรื่องหนึ่งคือเริ่มอีกหลายสิบเรื่องมันไม่ได้จบอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่ามันผ่านไปมันผ่านจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งผ่านจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งไม่มีจบมีสิน้นแต่ผู้ที่ศึกษาในสติปฐานสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์พะละถ้ามองโพธิปัจขยธรรมแต่ละอย่างเท่ากับเสาแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะก็เทจนสําเร็จสร้างองค์พระเจดีเอาไว้ในใจของเราถ้าสร้างโพธิปักขยธรรมให้สําเร็จในใจ จนใจที่เป็นอรหัตตะมักเกิดขึ้นในใจถ้าอารหัตตะมักเกิดขึ้นในใจอย่างแท้จริงเนี่ยก็ก็ทําที่สุดแห่งทุกพ้นทุกเลิกโศกแบบภาษาริบุตรเนี่ยนะจริงอยู่ผู้สําเร็จการศึกษาชื่อว่าพระอระหันต์อะเสขาธรรมมาเนี่ยนะอเสขาธรรมมาเนี่ยแปลว่าผู้สําเร็จการศึกษาก็บอกว่าพระเสขะคือผู้ที่กําลังศึกษาพระอระหันต์คือผู้สําเร็จการศึกษา ปุตุชนทั้งหลายจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่สําเร็จการศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ใช่กําลังศึกษาไม่ใช่ผู้สําเร็จการศึกษาแต่ผู้อยู่นอกระบบการศึกษานอกอะไรศึกษาเข้ า, า อ, อ, า อ, า อ, าอาะไรเป็นเครื่องวัดเอาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นการศึกษาพระเสขะทั้งหลายคือผู้ที่กําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอาธิศีล อ, ธ, อธิจิตและอธิปัญญา พระอรหันต์คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะุตุชนทั่วๆไปโดยมากก็อยู่นอกระบบการศึกษาแต่นี้บอกว่าพระอรหันต์นี่คือผู้สำเร็จการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะก็ไม่ต้องมีความโศกอัถาแห่งบททั้งสามอย่างนี้เนี่ยนะคือของท่านผู้มีอธิจิต อธิจิตนี้ท่านบอกว่าหมายถึงมรรคจิตผลจิตเบื้องต่ำนะอธิจิตหมายถึงมรรคจิตผลจิตเบื้องต่ําไม่รู้วงเล็บมาทําไมก็ไม่ทราบเอาออกเถอนะท่านผู้มีอธิจิตคือมีมรรคจิตผลจิตเบื้องต่ําเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติอันเกียกเก่ยวกับอันเกี่ยวการตรัสรู้สัจจะสี่เชื่อว่าผู้เป็นมุนี เพราะประกอบด้วยมรรคยานย่อมสมแท้หมายถึงว่าปฏิบัติอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาระดับโสดาปฏิมาคโสดาปฏิพ้นสกทาคามีมกักสกทาคามีพ้นอนาคามีมกักอนาคามีพ้นะเป็นการปฏิบัติเกี่ยวด้วยการตรัสรูอ้อริยสัจใช่ไหมเกี่ยวด้วยการตรัสรู้อริยสัจการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยสมควรแท้สมแท้สมแก่อะไร สมเหมาะสมที่จะให้อรหัตตมัคเกิดถ้าทําตามนี้ก็สมควรแล้วที่อรหัตตมัคจะเกิดถ้าไม่ทําตามนี้ก็ไม่สมควรอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอัถฐแห่งเหตุของบทว่าอปปมัชชโตจะสิกขโตความว่าชื่อว่ามีอธิจิตเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทเพราะเหตุแห่งการศึกษานะคําว่าศึกษาก็คือเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิฐานก็ชื่อว่าศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาอย่างนี้ก็โสกาณพวันติตาทิโนไม่มีความโศก น, นะนะโสกาณพวันติแปลว่าไม่มีความโศกก่อนที่จะรู้จักว่าไม่มีความโศกต้องรู้จักไอโศกเป็นยังไงโศกความเศร้า น, นะที่จริง น, นะเศร้ากับโศกเลยเป็นเศร้าโศกไปเลยมาจากบาลีว่าโศกภาษาไทยเรียกว่าเศร้าความเศร้านี้คืออะไรคือความ กรมเกรียมใจเนี่ยไงไอ้กรมเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นใหญ่มากใช่ไมไม่ใช่เล็กๆนะเป็นกรมเลยนะเป็นกรมที่เกรียมมันก่อนเนี่ยอ้าวกรมก็คือมันใหญ่มากเป็นเกาะใหญ่กว่ากองกันแล้วกันใหญ่กว่าหมวดใหญ่กว่าหมู่เพราะถึงกระดับกรมเลยทีนี้กรมที่มันเกรียมเนี่ยนะเคยเห็นอะไรที่ถูกไฟไหม้ไหมมันก่อนนั่งรถไปกระยม เดี eu, way, ๋ยวไปดูอ้าวทำไมตรงนี้มันเกรียมขนาดนี Phar ้ห่อแบบเพิ่งถูกไฟไหม้มาเพราะงั้นมันคงหมดไปเยอะนะดําตีเลยเนี่ยกรมที่มันเกรียมอ่ะนะเต็นเหมือนกับห้างร้านที่ถูกไฟไหม้สัเกลียมหมดเลยใจที่ถูกความโศกครอบงําก็ใจที่เกรียมเหมือนกันเลยนะเกรียมหมดเลยนะบอกมันเกรียมมาถึงหน้าด้วยนะเคยเห็นหน้าคนเศร้าไหมหน้าคนเศร้าก็หน้าอย่างเราๆนี่แหละสองกระจกดูเถอะ จะยิ้มได้สักกี่นาทีนาะวันวันหนึ่งถามว่าไอ้ความเกรียมใจเนี่ยนะความแห้งใจความเศร้าโศกทางใจนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่น่าปรารถนาเป็นต้นพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นเสียงเงินเนี่ยนะสังเกต ด, ดูนะคนเกรียมหน้าเกรียมมากที่สุดคือคนทำสตังหายเนี่ยนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาเขาไปส่งพระที่หนึ่ง มาไกลามากนะเดินทางข้ามอำเภอมาแล้วเขาก็ฝากาสตังเนี่ยฝากให้ไปซื้อของด้วยเขาบอกขากลับมาช่วยจ่ายตลาดให้ด้วยนะพกเงินมาเป็นหมื่นก็เลยมาส่งพระเสร็จค้ากลับไปนี่หน้าเกลี้ยงเลยนะสตังหายโอ้ยกินมันทุกข์ขนาดนั้นไม่ใช่เงินตัวเองด้วยนะเงินที่เขาฝากให้ซื้อของด้วยโยมจะเกรี้ยงขนาดไหนนะ เรี ว, ว่าพลัดพรากจากสิ่งที่น่าปรารถนาจากสตังค์ไปเนี่ยนะหายเงินหายทองเนี่ยแม่มันเกลี้ยเลยนะพวกเสียหายเนี่ยนะพวกพวกเนี้ยพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือญาติตายเป็นต้นนี่ก็เกลียงเลยเขาบอกมีโยมเขาเล่าบอกว่าโอ้ยความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเสียใจมากก็คือพลัดพรากจากของรักเขาบอกแม่เขาตายนี่เขาเสียใจเข่าอ่อนเข้าสุดไปหมดเลยเนี่ยนะแม่ประคับประคองใจไม่ได้เลยเขาบอกบางคนเนี่ยถึงก็สลบล้มเลยนะ พราะรู้ว่า ต, ต้องจากสิ่งนั้นเนี่ยสลบเลยแสดงว่าการพลาดพลาดเนี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ขณะนั้นก็ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนี่ก็ก็ยิ่งใหญ่จริงจราไปะไปไปเจอภาพที่ไม่สมควรจะเห็นอย่างก็บอกว่าโยมเขาเล่าวา่าไปเห็นบ้านถูกไฟไหม้แค่นั้นแหละเข่าสุดเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะอ่อนระทวยรวยแรงวนะ่าบ้านที่บ้านของตัวเองถูกไฟไหม้ใช่ม ตอนอันนั้นเรียกว่าประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือสูญเสียของรักที่จริงก็เพราะมีของรักนั่นแหละถ้าถ้าถ้าได้ก็เรียกว่าประสบกับของรักนะไอความพลาดพลาดจากของรักหรือปรารถนาไม่สมหวังก็เนื่องจากว่ามีสิ่งอันเป็นที่รักนั่นเองนี่ผู้ที่เศร้าโศกก็เกิดจากอะไรเกิดจากพลาดพลาดจากของรักเกิดจากประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักปรารถนา เพื่อจะให้พบปะกับสิ่งเป็นที่รักหวังที่จะเจอของรักก็ไม่เจอซักทีหนึ่งอันนี้ก็มีแต่ความเกรียมเลยนะกรมเกรียมเลยนะเกรียมเป็นกรมเลยเนะี่ยก็บอกว่าพนักงานในกรมมีอะไรบ้างก็จิตเจตสิกไงเป็นกรมเลยนะอยู่ล้ายท่านด้วยกันถูกเผากันดำเหมือนต่อตะโกหมดเลยแต่ว่าะ้าหันทั้งหลายท่านเป็นผู้คงที่ในภายใน ท่านไม่มีความเศร้าโศกแล้วเมื่อท่านเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าท่านนั้นคงที่ทั้งในอารมณ์ทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิธารมแปกว่าคงที่มั่นคงทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานนถามว่าทำได้อย่างไร จริงๆบางแห่งเลยบอกว่าเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ด้วยอริยริทท่านจึงคงที่ได้ในโลกนี้แบ่งอารมณ์ออกเป็นสองอย่างคือสิ่งที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาเขาเรียกว่าปฏิกูลเขาเรียกว่าปฏิกูลไม่น่าปรารถนาเรียกของปฏิกูลสิ่งที่น่าปรารถนาเรียกว่าไม่ปฏิกูลบอกว่าท่านเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาท่านเจริญธาตุกรรมฐานก็ได้ ท่านเจริญธาตุกรรมฐานก็ได้เจริญเมตตาก็ได้เจริญอสุภะก็ได้เจริญกรรมฐานใดๆก็ได้ทุกอารมณ์ไม่มีการไม่มีอะไรขวางกั้นในการเจริญกุศลธรรมของท่านไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นไม่มีอะไรที่จะกางกั้นในการเจริญสมถะและวิปัสสนาของท่านท่านอารมณ์ที่ดีท่านก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้อารมณ์ที่ไม่ดีท่านก็เจริญสมถะวิปัสสนาได้ไม่สิ่งนั้นนะนะจะอะไรท่านก็เจริญ กรรมฐานได้ทั้งหมดเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้คงที่อีกอย่างหนึ่งตาที่โ น, โนเนี่ยหมายวาความว่าความโศกย่อมไม่มีแก่มุนีผู้เห็นปานนั้นผู้ประกอบด้วยลักษณะแห่งความเป็นผู้คงที่คนที่คงที่เนี่ยนะอะไรที่ทําให้ถึงความเป็นผู้คงที่ได้ตัวคุณธรรมอะไรทําให้สามารถคงที่ได้ เขาบอกว่าปัญญาเนี่ยนะคของปัญญาเนี่ยสามารถทำให้เป็นผู้คงที่ได้คนที่ไร้ปัญญาเนี่ยนะจะไม่มีความคงที่ในภายในเราสังเกตดูนะคนที่ที่มีปัญญาโดยมากเนี่ยก็ไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยสะเทือนกับอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมเจอเหตุการณ์ที่ดีท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เลงไม่ไม่ฟูเจออัเหตุการณ์ที่ร้ายท่านก็ ไม่แฟบลงถามที่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านรู้จักสิ่งนั้นอย่างดีเห็นไะหรู้จักรู้จักสังขารทั้งหลายเป็นอย่างดีเมื่อท่านรอบรู้เหตุเกิดความดับอศาศะทาอาทีนวะนิสรณ ะ, ะของสังขารทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วท่านก็ไม่เลยไม่รู้จะยินดีไปทําไมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องยินร้ายทําไมไม่มีเหตุให้ต้องยินดีไม่มีเหตุให้ต้อง ยินร้ายไม่มีเหตุให้ให้โลภะไม่มีเหตุให้เกิดโทสะเพราะท่านถอนเหตุของโทสะและเหตุของโลภะได้แล้วเหตุของโลภะคืออะไรเหตุของโทสะคืออะไรเหตุที่ทำให้โลภคืออวิชชาคือโมหะนะเหตุที่ทำให้โกรธก็คืออวิชชาถ้าถอนอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วมีมูลรากขาดแล้วมูลคืออวิชชาเนี่ยนะ ถูกถอนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะโลภไปทําไมก็ไม่มีเหตุให้ต้องโกรธไม่มีเหตุให้ต้องโลภไม่มีเหตุให้ต้องโกรธเพราะถอนรากแก้วของความโลภความโกรธได้แล้วพันเราโกรธสิ่งใดแสดงว่าเราโง่สิ่งโง่กับสิ่งนั้นมากเรารู้จักสิ่งนั้นน้อยไปเราเลยโกรธถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นเป็นอย่างดีด้วยปัญญาอย่างครบถ้วนเราจะโกรธไหมถ้ารู้เท่าพระพุทธเจ้าเราจะโกรธไหมถ้าเรามีปัญญาเท่าพระอรหันเราจะโกรธไหม ก็เพราะเราโง่นั่นแหละเราจึงโกรธแล้วเราชอบสิ่งใดละ่ละก็เพราะเราโง่ใ น, นแหละเราจึงชอบเราไม่รู้หรอกว่าไอความโง่ของเราไม่รู้ว่าเราชอบสิ่งใดเราจะเราจะโกรธเพราะสิ่งนั้นเท่าไหร่สิ่งที่ทําให้โกรธที่สุดคือสิ่งที่เราชอบที่สุดสิ่งใดที่เราหวังไว้ที่สุดสิ่งนั้นเราจะเศร้าใจที่สุดเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่ว่าเราโง่แค่ไหนก็จ่ายค่าโ ง, ง่ตามสมควรนะจ่ายด้วยสภาพจิต ดีอะไรนะจ่ายด้วยความเศร้าหมองคางจิตใจเพรนันคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนเพื่อให้กำจัดมูลรากแห่งความโศกมูลรากแห่งความโศกคืออวิชชาเหล่านี้นั่นเอง <c oughs> ถ้ากล่าวตามเนื้อหาที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยในคาถานี้ค า, า, าถาของภาษาที่พระองค์ตรัสถึงภาษารียบว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีอธิจิต เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู่ในคลองแห่งหมุนีคงที่สงบมีสติทุกเมื่อก็คือคนที่มีมัคหรือมีภาเวตประธรรมที่สมบูรณ์มีธรรมที่ควรเจริญที่สมบูรณ์ก็ดับทุกข์ได้ภาเวตาประธรรมนะนะคำกล่าวทั้งหมดนั้นก็คืออธิจิตอธิศีลอธิปัญญาแต่ละคํานั้นก็คือไตรสิกขาอย่างเช่นอธิจิตมีจิตอันยิ่งก็คือที่จิตตสิกขา ผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทนี้ก็คืออธิศีละสิกขาเป็นมุนีมุนีก็คืออธิปัญญาสิกขาศึกษาคลองแห่งมุนีก็คืออธิปัญญาสิกขาส่วนคําว่าคงที่คงที่เป็นต้นอันนี้เป็นอ น, นิสง์ของเป็นผลจากการเ ต, รตือนไตรสิกขาอนิสง์ของการบําเพ็ญ ศึกขาทั้นท่าบําเพ็ญไตรศิกษาได้อย่างถึงที่สุดแล้วจะเป็นผู้คงที่เป็นผู้สงบเป็นผู้มีสติอยู่ในการทุกเมื่อเนี่ยนะมันก็ถ้าใครที่รู้จักอ น, นิสงอ น, นิสงแปลว่าอะไรอ น, นิสงแปลว่ากำไรนะอนิสงนะอ น, นิสงของทานอ น, นิสงของศีลเป็นต้นเนี่ยจริงๆก็คือกำไรที่ได้จาก เรียกว่าผลกำไรที่เกิดจากการให้ทานผลกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลเป็นต้นนะนะอย่างที่พระ อ, องค์บอกว่าถ้าใครรู้กำไรผลที่เรียกว่าการให้ทานนี่เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งว่างั้นถ้าใครรู้จากว่ากำไรที่เกิดจากการให้ทานเท่าพระพุทธเจ้ารู้นะถ้าหากว่ามีผู้รับเนี่ยจะจ ะ, จะไม่ยอมกินเลยต้องให้ทานก่อนเพราะรู้กำไรแห่งการให้ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนอะไรนะเหมือนอย่างว่า เห็นขนมกับลอตเตอรี่เนี่ยนะเรารู้ว่าใบนี้ถูกแน่นอนเป็นใบที่ถูกยังไงก็ต้องออกตามนี้แหละแล้วก็มีเงินอัะนนะั้นซื้อขนมได้ได้ก้อนหนึ่งเราจะเลือกซื้อขนมหรือซื้อลอตเตอรี่ยังจะเลือกเอาไหนนะไม่ต้องถามก็ตอบอยู่แล้วนะถ้ารู้จริงๆนะว่าจะต้องอย่างนี้แน่นอนเนี่ยนะยังไงก็ต้องไม่กินขนมนะเลือกไม่กินขนมก่อนเพราะรู้อะไรรู้กําไรที่เกิดจากการซื้ออีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้แปลว่าสอนให้ไปแทงลอตเตอรี่นะ บันใครที่รู้ผลแห่งเรียกว่ากําไรที่เกิดจากการให้ทานกําไรที่เกิดจากการรักษาศีล ร, รู้ว่ากําไรที่เกิดจากการรักษาศีลทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสภาพของมนุษย์ที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเป็นกําไรของศีลเนี่ยนะแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวเองผู้ศีลเนี่ยขาดทุนแน่นอนนะโน่นนะตกไปถึงอบายเป็นต้นถ้ารู้กําไรที่เกิดจากการเจริญส ม, มถะ ค, คือพรหมโลกถ้ารู้จักสภาพของพรหมแท้จริงใครจะไม่เจริญสมาธิ ใครที่รู้จักพระนิพพานอย่างดีจริงอะ่ะไม่มีหรอกที่ไม่ศึกษาไตรสิกขาเพราะการศึกษาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญามันเป็นการลงทุนเพื่อความสิ้นทุกเนี่ยนะเขาจึงสละสละทุกอย่างเพื่อมาเจริญสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านคือผู้ที่เอ่อท่านมีทรัพย์อยู่80โกดเนี่ยนะท่านสละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาเพื่อสแสวงหาทางแห่งความ พ้นทุกข์แล้วก็ปฏิบัติธรรมในที่สุดท่านก็ถึงความพ้นทุกขจ์จริงๆเนี่ยนะ